วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองเป็นวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมื่อมีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงได้มาวัดเพื่อที่จะมาศึกษามาเรียนรู้ว่าควรจะปฏิบัติอะไรเมื่อเรียนรู้แล้วก็นําเอาไปปฏิบัติเพื่อจะได้รับผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติที่เป็นผลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถให้กับผู้ปฏิบัติได้ เป็นผลที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำได้ก็คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปสร้างความสุขอันเลิศอันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจผลนี้แหละเป็นผลที่เรียกว่าลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถต่างๆ คือความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือตำแหน่งยศอะไรต่างๆหรือรางวี่รางวั ล, วลวอะไรต่างๆหรือรูปเสียงเกียรตต่างๆที่เราได้เสพได้สัมผัสความสุขของสิ่งเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการ ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ท่านจึงเรียกว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงการที่เราจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมสิ่งที่เราต้องมีก็คือความยินดีในธรรมนั่นเองความยินดีในธรรมก็ชนะความยินดีทั้งปวงยินดีกับอะไรก็ซู่ยินดีกับธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้ ยินดีกับเงินทองก็จะได้เงินทองยินดีกับตาแหน่งยศก็จะได้ตาแหน่งได้ยศยินดีกับรางวี่รางวัลก็จะได้รางวัลต่างๆยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสก็จะได้รูปเสียงกลิ่นรสแต่สิ่งเหล่านี้ที่เราได้จากความยินดีได้เงินทองได้ยศได้รางวัล ได้สัมผัสกับรูกเสียงกลินรสมันก็เป็นความสุขที่สั้นและที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่อไปได้เวลาที่ได้ก็จะมีความสุขแต่เวลาที่เสียก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาฉะการยินดีกับสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับการยินดีกับการได้รับความทุกข์นั่นเอง ความทุกข์ของพวกเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไปยินดีหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เองเวลาเราได้เราก็ดีใจมีความสุขกันแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปมีวันจากเราไป พอเกิดการเสื่อมเกิดการหมดไปเกิดการจากกันไปความเศร้าใจความเสียใจความทุกข์ใจก็เป็นผลตามมา mm hmm. นี่แหละคือรสของสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นรสของความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ภายในที่ผู้ที่ไปแสวงหาไปยินดีจะต้องพบกับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็ว แต่รถแห่งธรรมนี้ไม่มีความทุกข์เหมือนกับรถอย่างอื่นเป็นความสุขล้วนๆเป็นความสุขร้อยเปอร์เซ็นนะดังนั้นถ้ายินดีในธรรมเราก็จะเข้าหาธรรมพอเราเข้าหาธรรมเราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนะการจะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติธรรม การจะปฏิบัติธรรมได้อย่างถูกต้องก็ต้องศึกษาธรรมก่อนศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติอะไรกันบ้างถ้าเราศึกษาเราจะทราบอย่างรวดเร็วเพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่กว้างขวางไพศาลเหมือนกับความรู้ทางโลกที่ต้องเรียนรู้กันถึง สิปีถึงจะได้ระดับปริญญาต้องเรียนระดับประถมมัธยมถึงสิบสองปีแล้วก็ไปต่อปริญญาอีกสี่ปีถึงจะได้ความรู้ในระดับปริญญาเตรีแต่ความรู้ทางธรรมนี้เรียนแค่สมนาทีฟังแค่ห้านาทีก็ได้แล้วเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียบง่ายตรงไปตรงมา สรุปลงเพียงอยู่เพียงสามข้อเท่านั้นเองคือหนึ่งให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงสองให้สร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละคือความรู้ ท, ทางธรรมให้รู้เพียงสามข้อนี้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านั้น ผลที่ดีที่ประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาภายในใจแต่ที่มันยากมันไม่ได้ยากอยู่ที่การเรียนการเรียนทางธรรมนี้ง่ายมากเรียนแค่นี้ก็จบแล้วเอาไปทำสามข้อนี้ทำได้ก็เป็นพาาาระอรหันต์ได้ไปนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ที่มันยากก็คือเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัตินี้แหละมันยากเพราะว่ามันเป็นของที่ฝืนสันดานฝืนนิสัยของพวกเรานิสัยสันดานของผูุ้ชนของผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดนี้จะมีนิสัยสันดานไปในทางทำบาปกันไม่ค่อยอยากจะทำบุญกันไม่อยากจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ชอบทําใจให้สปกปรกทอบใจใจให้เศร้าหมองด้วยกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลา ย, ยาใจจึงมีแต่ความทุกข์ใจแต่ไม่ค่อยมีความสุขเพราะนิสัยสันดานของปุถุชนของสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้จะมีนิสัยไปในทางทาบาปกัน จะไม่ชอบทำบุญกันจะไม่ชอบชํชำระใจให้สะอาดชอบทำใจให้สะกะปรกด้วยกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆนั่นเองที่มันยากก็เพราะว่ามันฝืนนิสยัยฝืนสันดานเหมือนกับถ้าเราถนัดมือขวาแล้วเราต้องมาใช้มือซ้ายนี่เราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่าเราไม่เคยใช้มือซ้ายมาก่อน แต่ถ้าเกิดมือขวาเราเป็นอะไรไปใช้มือขวาไม่ได้เราก็ต้องมาหัดใช้มือซ้ายเวลาหัดใช้ใหม่ๆ ม, มันก็รู้สึกยากทําอะไรไม่คล่องแค่ว่องไวเพราะว่ามันไม่เคยใช้มือซ้ายมาก่อนแต่ถ้าได้พยายามทำไปเรื่อยๆหัดใช้ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต่อไปก็จะใช้ได้อย่างเหมือนกับที่ใช้มือขวาเพราะว่ามันอยู่ที่ Uh, ความความเคยชินนั่นเองยิ่งทำมันก็ยิ่งเคยชินมันก็ยิ่งคล่องแคล่วว่องไวต่อไปมันก็เป็นเหมือนกับเป็นมือขวาอันนี้ก็เหมือนกันการมาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบทำที่ฝืนนิสัยฝืนสันดานของพวกเรามันก็จะรู้สึกยากเ <Yeah. S 1> จนสอนให้ละการกระทำบาปทั้งปวงอันนี้เราจะไม่ เราจะรู้สึกว่ายากขึ้นมาทันทีบาปมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดตั้งแต่มนุษย์ลงไปนี้ห้ามหมดนห้ามฆ่ามนุษย์ห้ามฆ่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยห้ามฆ่าหมดเพราะชีวิตของทุกชีวิตนี้มีคุณค่าราคาเหมือนกันคือเจ้าของชีวิต รักตัวกลัว ต, ตายเหมือนกันทุกคนเรารักตัวกลัวตายของเราอย่างไรสัตว์อื่นชีวิตอื่นเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันเขาไม่ต้องการให้ใครที่จะมาทำทำลายชีวิตของเขาเราก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายชีวิตของเราเวลาเราถูกทำลายเราจะรู้สึกทุกข์มากฉันใดเวลาเราไปทำลายชีวิตของเขาเขาก็จะรู้สึกทุกข์มากอย่างนั้น ความทุกข์นี้เท่ากันแม้กับมดตัวเล็กๆมแมลงตัวเล็กๆความทุกข์ของเขาก็เท่ากับความทุกข์ของมนุษย์ของช้างตัวใหญ่ๆเพราะว่าใจของแต่ละชีวิตนี้ไม่มีขนาดเหมือนกับร่างกายร่างกายมีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กแต่ใจนี้ไม่มีขนาดใจของช้างเท่ากับใจของมดใจของมดเท่ากับใจของมนุษย์น ใจของมนุษย์เท่ากับใจของแมวมีไม่มีขนาดใจไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีรูปร่างมีขนาดใหญ่มีขนาดเล็กขนาดกลางแต่ใจนี้ไม่มีขนาดใจใ e ใใใเท่ากันหมดใจของมดเท่ากับใจของช้างใจของจิ้งจกเท่ากับใจของมนุษย์มีความรักตัวกลัวตายเท่ากันเวลาสุขก็สุขเท่ากัน เวลาทุกข์ก็ทุกข์เท่ากันเอดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปให้ความทุกข์กับผู้อื่นเพราะเรามีกฎแห่งกรรมที่จะมาจัดการกับการกระทําของเรากฎอันกรรมก็คือทําสิ่งใดกับใครก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาหาเราให้ทุกข์กับเขาทุกข์นั้นก็จะกลับมาหาเราให้สุ ข, ขกับเขา สุขก็จะมาหาเราอย่างนั้นถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์อย่าไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการกระทำบาปถ้าเราต้องการความสุขให้เราไปให้ความสุขแก่ผู้อื่นด้วยการทำบุญแล้วสุขก็จะกลับมาหาเราอันนี้เป็นกฎที่ไม่มีใครเข้าใจกันมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงเข้าใจอย่าง แจมแจ้งอย่างชัดเจนไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใดเชื่อกฎแห่งกรรมร้อยเปอร์เซนว่าทำอะไรแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทำบาปก็จะต้องรับทุกข์ทำบุญก็จะได้รับความสุขพระพุทธเจ้าถึงสอนข้อแรกพอรู้ว่าพวกเราทุกคนไม่ชอบความทุกข์กันไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กัน แต่เราไม่รู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากการกระทำบาปของเรามีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้รู้รู้ว่าทุกครั้งที่ทำบาปจะต้องได้ความทุกข์กลับมาเป็นผลในใจทันทีที่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ดูผลที่ใจกันเราไปดูผลที่ร่างกา ย, ยทำบาปแล้วยังไม่มีใครรู้ไม่ถูกจับไปลงโทษเนี่ยก็เลยคิดว่าทาบาปแล้วไม่มีโทษตามมา แต่ถ้ามามองที่ใจนี้ดูซิว่าใจสบายหรือใจไม่สบายเวลาที่ไปทำบาปถ้าดูที่ใจจะเห็นทันทีเวลาทำบาปแล้วจะมีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากจะไม่ต้องการมีความทุกข์ใจให้เราละา ก, การกระทำบาปบาปก็มีอยู่สีข้อด้วยกันหนึ่งฆ่าสัตว์สองลักทรัพย์ สามประพฤติผิดประเวณีสี่พูดปดส่วนสุราข้อห้านี้เป็นอบา ย, ยมุกเป็นผู้สนับสนุนการกระทำบาปเป็นผู้สนับสนุนเหมือนสปอนเซอร์วันเราจะทำอะไรบางทีต้องมีสปอนเซอร์ต้องไปหาสปอนเซอร์พวกอบายนี้ก็เป็นเหมือนสปอนเซอร์เวลาเราจะทำบาปนี้ต้องมีสปอนเซอร์สนับสนุน ถ้าดื่มสวราแล้วเมานี้ทำบาปง่ายแล้วถ้าเวลาไม่เมานี้จะทำบาปยากเพราะจะมีสติมีสตังมีความละอายแต่เวลาเมานี้ความอายหายไปจะพูดจาหยาบคายจะพาาอะไรให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างง่ายดายเพราะขาดีริโอตปะไปเวลาเกิดความเมาขึ้นมาแล้วฮิริโอตปะนี้สตินี้จะถูกทำลายไป ก็เลยจะทําให้คนที่เมาโซลานี้ทําบาปได้อย่างง่ายได้คนที่อยากจะทําบาปบางทีถ้ายังไม่เมานี้ไม่อยากจะทําแต่เมื่อรู้ว่าจะต้องไปทําบาปก็เลยต้องขอดื่มโซลาก่อนให้มันเมาก่อนเมื่อมันเมาแล้วทีนี้จะรู้สึก ทำบาปได้ง่ายพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าต้องระงับพวกสปอนเซอร์ด้วยอย่าไปมีสปอนเซอร์อบายยามุคนี้คือสปอนเซอร์ของการทําบาปต้องละมัน5ตัวด้วยกันสปอนเซอร์คือ1การดื่มสุรายาเมา2การเล่นการพนัน3การเที่ยวเต่เที่ยวเล่นต่างๆ 4. การคบคนที่ชอบอบายยามุคเป็นมิตร และหความเกลียดคร้านอบายามุกทั้งห้านี้ทำไมถึงเป็นผู้สนับสนุนในการทำบาปเพราะว่าอบายามุกนี้ไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายเมื่อไม่มีแต่รายจ่ายถ้ามีถ้าเราไปเสพอบายามุกเราก็จะมีแต่เสียเงินเสียทองจะไม่มีรายรับเข้ามาเมื่อไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายต่อไปเงินที่มีก็ต้องหมด พอหมแต่ค่าใช้จ่ายมันยังมีอยู่ยังต้องใช้จ่ายอยู่เราจะไปหาที่ไหนก็ต้องไปหาด้วยการทําบาปนั่นเองด้วยการไปรักทรัพย์ด้วยไปไปป่นไปจี้กันแล้วก็อาจจะไปฆ่ากันถ้าเกิดการต่อสู้ขึ้นมาหรือไม่เช่นนั้นก็ไปโกหกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆเพื่อที่จะได้หลอกเอาเงินของผู้อื่นมาใช้จึงต้อง สอนให้ระงับอบายามุข ก, ก่อนอกำจัดพวกสปอนเซอร์ของการทำบาปก่อนถ้าไม่ดื่มชุรายาเมาจะมีสติมีฮิริโอตปะมีความละอายมีความกลัวบาปจะไม่กล้าทำบาปกันถ้าเล่นการพ น, นันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดเนื้อหมดตัวพอเวลาได้ก็อยากจะเล่นต่อเพราะคิดว่าได้แล้วจะจ ะ, จะได้ไปเรื่อยๆแต่พอได้มันก็ต้องมีเสีย พอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกมัอนไม่ว่าจะได้หรือเสียมันก็จะเล่นเมื่อมันเล่นไปในที่สุดมันก็จะต้องเสียเมื่อเสียมันก็ต้องไปหาเงินมาตอนต้นก็ขายทรัพย์สินที่มีก่อนมีบ้านก็ขายบ้านมีข้าวของก็ขายข้าวของมีที่ดินก็ขายที่ดินเขายหมดท่านว่าขโมยขึ้นบ้านยังไม่ลายเท่ากับ การพันการเล่นการพ น, นันขโมยขึ้นบ้านก็เอาได้แต่ข้าวของไปไฟไหม้บ้านก็ได้แต่ไหม้บ้านกับข้าวของไปแต่ที่ดินก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเล่นการพนันนี้มันเอาไปหมดเลยเสียทั้งบ้านเสียทั้งของเสียทั้งที่ดินและอาจจะเสียถึงชีวิตก็ได้ถ้าไปกู้หนี้ยืมเสินจากพวกนักเลงทั้งหลายมาเล่นต่อพอถึงเวลาไม่สามารถที่จะ คืนใช้เงินไปได้ก็จะเขาก็จะมาทวงด้วยการทำร้ายร่างกายเป็นการเตือนก่อนเมื่ อ, อยังไม่สามารถที่จะคืนเงินเขาได้เขาก็จะต้องฆ่าเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อไปนี่คือภัยอันตรายจากการเล่นการผนันการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวก็มีแต่การใช้จ่ายมีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีรายรับ ใช้ชีวิตอยู่กับการเที่ยวเต่เงินทองที่มีอยู่ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดหมดก็จะไม่ได้เที่ยวแต่ความอยากเที่ยวมันยังไม่หมดมันก็จะทําให้รู้สึกทุกข์ใจหงุดหงิดใจก็เลยต้องไปหาเงินมาเที่ยวเมื่อไม่ทํางานไม่มีงานทําเพราะเที่ยวอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีงานทํา ก็ต้องไปหาด้วยการขโมยบ้างการโกหกหลอกลวงไปป้นไปจี้บ้างนั่นเองก็เหมือนกับเล่นการพนันมีแต่เสียรายจ่ายไม่มีรายรับส่วนข้อที่สี่คือไม่คบกับคนที่ชอบอบายบยืมก็เพราะว่าถ้าเราไปคบกับเขาเขาชอบดื่มสุดาเขาก็จะชวนเราดื่มสุดาเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราเล่นการพนันน ถ้าเราเก่งใจเขาเราก็ต้องไปเล่นกับเขาไปทำตามเขาถ้าเสียดายเก่งใจเสียดายเสียเพื่อนกลัวจะเสียเพื่อนอก็ต้องไปทำตามเขาพอไปทาตามเขาต่อไปเราก็เป็นเหมือนเขาเราก็จะไปติดอาบายามุกแล้วเราก็จะเกิดปัญหาตามมาต่อไป เห็นต้องหลีกเลี่ยงคนที่ชอบอบา ย, ยามุขอยากคบเขาเป็นมิตรคบได้ถ้ามีความจําเป็นแต่อย่าไปคบแบบที่จะต้องไปทําอะไรร่วมกับเขาถ้าคบเพราะต้องทํางานร่วมกันนี้คบได้แต่พอเขาชวนไปดื่มโุลาก็ต้องขอตัวล้บอกว่าขอตัวเขาชวนไปเล่นการพนันก็ต้องขอตัวไปคบได้แต่คบไปในในในกิจที่ที่ดี เป็นเพื่อนร่วมงานกันคบได้เวลาทำงานร่วมกันทำได้เวลาไปทำอะไรที่เกิดคุณเกิดประโยชน์นี่คบได้แต่เวลาเขาชวนไปดื่มโุราไปเล่นการพนันนี่ก็ต้องขอตัวขออย่าไปเสียดายเพื่อนถ้าเขาไม่อยากจะคบเราเพราะเราไม่ไปทำตามที่เขาขอร้องก็อย่าไปเสียใจเสียเพื่อนดีกว่าเสียตัวให้คิดอย่างนี้ไปคบกับเขาแล้ว เ, เดี๋ยวเราจะเสียตัว เสียตัวนี้เสียหายมากกว่าเสียเพื่อน mm hmm. เพื่อนนี้หาใหม่ได้ในโลกนี้ไม่ใช่มีคนเดียวโลกนี้มีคนเยอะแยะคนดีๆมีเยอะแยะคนที่ไม่เสพอบายามุขมีเยอะแยะไปใฮ mm hmm. คบกับคนที่ไม่เสพอบายามุขดีกว่าคบกับคนที่ชอบเสพอบายามุขแล้วก็อย่าไปคบกับคนเกียจค้าน คนความเกียดค้านอย่ามีความเกียดค้านเพราะความเกียดค้านก็ไม่มีการผลิตรายรับรายมีแต่ไม่มีรายได้มีมีแต่รายจ่ายคนเกียดค้านไม่ทํางานทานําการมิดมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่ากินค่าอยู่อะไรถ้าไม่ไม่ไม่มีรายได้จากการทํางานก็ต้องไปหารายได้ด้วยการทําบาปะไปดอกลวงไปช่อโกงไปลักขโมย อันนี้ก็เป็นโทษของการเสพอบายามุกทั้งห้าประการถ้าไม่เสพอบายามุกแล้วจะไม่มีใครมาคอยสนับสนุนให้เราไปทำบาปไม่มีใครจะมาดึงให้เราไปทำบาปได้ง่ายนี่แล้วเราก็จะสามารถละเว้นจากการกระทำบาปได้การจะละเว้นได้เราก็ต้องมีความตั้งใจเช่นในช่วงเขา้าพรรษานี้ชาวพุทธเราจะ ถือเป็นช่วงที่เราจะมาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นให้เป็นกรณีพิเศษปีหนึ่งก็ให้มีสักช่วงหนึ่งที่เราเอาเวลาของเรามาทำความดีกันมาละการกระทําบาปกันเราก็ต้องมีความเพียรพยายามถึงแม้จะรู้ว่าการละการกระทําบาป นี้ไม่ดีแต่ถ้าไม่มีความเพียรพยายามพาะถึงเวลาก็อาจจะทําไม่ได้เพราะเราต้องฝืนใจฝืนมากฝืนเวลาเราเอยเดือมโุราร์บางท่านเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานต้องตั้งจิตอธิษฐานคืออธิษฐานแปลว่าความตั้งใจตั้งใจว่าปัญสานี้จะไม่เดื่มสุรายาเมา ถ้าไม่ตั้งใจแล้วมันก็จะปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์วันไหนไม่อยากดื่มก็ไม่ดื่มก็ได้แต่เพราะวันไหนอยากดื่มขึ้นมาก็ทนไม่ได้ก็จะต้องดื่มแต่ถ้าตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ดื่มเลแล้วถ้ามีสัจจะมีความจริงใจต่อการตั้งจิตอธิษฐานของเราเราก็จะรักษาสัจจะด้วยการไม่ดื่มสุดาตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ได้ แล้วพอเรามีสัจจะไม่ดืม่มแต่ก็ยังมีอะไรมาคอยดึงอยู่เราก็ต้องมีความเพียรพยายามเพียรพยายามที่จะรักษาสัจจะรักษาความตั้งใจไว้ไม่ให้ไหลไปกับอสิ่งที่ม า, า, มาล่อลวงใจมาดึงดูดใจให้ไปเพราะบางทีเห็นเพื่อนดื่มนมัน่แหมปากเปรี้ยวขึ้นมาทันทีต้องมีความเพียรพยายาม ทำตามที่เราตั้งใจแล้วก็ต้องมีขันติมีความอดทนถึงจะสามารถปฏิบัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้มีทำอยู่สี่ข้อเนี่ยคือหนึ่งความตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเราก็จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่พอเราตั้งใจปั๊บเนี่ก็สแสดงว่าเร า, เราม่เรามีจุดหมายปลายทางเรามีเป้าแล้ว ที่เราจะต้องรักษาถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่ดื่มสซรานี่เราก็มีเป้าแล้ววนะทีนี้สซลาเราจะไม่ดื่มเวลาใครมาชวนไปดื่มเราก็จะต้องปฏิเสธเข้าไปหรือเวลาอยากจะดื่มเองเราก็ต้องคอยห้ามใจไม่ให้ไปหาสุรามาดื่มถ้ามีโุลาอยู่ใกล้บ้านใกล้มือก็อาจจะเอาไปยกให้คนอื่นเข้าไปจะได้ทําให้มันยากขึ้นะ ถ้ามันอยู่ใกล้มือนี่มันพอถึงเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอาจจะทนไม่ได้ห้ามใจไม่ไหวต้องมีความตั้งใจต้องมีสัจจะว่าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราจะต้องรักษาความตั้งใจนี้ให้ได้ถ้ารักษาไม่ได้ตั้งไปก็เสียเวลาเปล่าๆ ตั้งไปแล้วก็ล้มไม่ดื่มสุราเดี๋ยวพอถึงเวลาอยากจะดื่มก็ไปหาสุราม า, า, มาดืม่มอย่างี้ก็อย่างนี้ก็เท่ากับหลอกตัวเองหลอกคนอื่นนี้ยังพอจะหลอกได้แต่หลอกตัวเองนี่หลอกไม่ได้แล้วก็โทษก็มากด้วยหลอกคนอื่นนี่โทษมันน้อยกว่าหลอกตัวเองเพราะหลอกตัวเองนี่ตัวเองเป็นผู้รับโทษไม่ใช่คนอื่นเขารับโทษถ้าเราหลอกคนอื่นคนอื่นเขารับโทษ แต่เวลาเราหลอกตัวเองนี่เราตัวเราเองเป็นผู้รับโทษคือเราก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวเราก็ต้องรับผลที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดีของเรานั่นเองดังนั้นต้องมีสัจจะต้องมีเป้าหมายต้องตั้งเป้าหมายว่าพรรษานี้จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรบ้างบางท่านก็บอกว่าจะเลิกสุราตลาดระยะเวลาสามเดือน บางท่านก็บอกว่าจ ะ, ละเล่นการพ น, านันเคยแทงหวยเคยซื้อลอตเตอรี่เคยไปบ่อนการพ น, านันก็จะขอเลิกสามเดือนทำไมทำแค่สามเดือนก็ทำน้อยไปหามากก่อนนั่นเองเดี๋ยวจะบอกจะไม่เลกจะเลิกไปตลอดเลยนี่มันอาจจะเกินกาลังไปเดี๋ยวจะทาไม่ได้แล้วจะเกิดความท้อแท้ก็ลองทำไปก่อนเอาแค่สามเดือนก่อนทำได้ไหม สมมติถ้าทำได้อาจจะขอต่ออีกสามเดือนก็ได้เออในเมื่อเราทำมาได้สามเดือนแล้วทำไมอีกสามเดือนจะทำไม่ได้เอก็ต่อมันไปทีละสามเดือนก็ได้เอต่อไปมันก็จะเลิกได้แต่ถ้ามาตั้งว่าจะไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตนี้มันอาจจะโอ้โหมันมากเกินไปเอตั้งเป้าที่สูงเกินไปใหญ่เกินไปที่จะสามารถทำได้มันก็เลยอาจจะไม่อยากจะทำอย่างนั้นพยายามตั้งเป้าอยู่ใน ในระดับที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะทําได้ไปก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มเพิ่มเป้าให้มันใหญ่ขึ้นมากขึ้นไปตามลําดับต่อไปนี่ดงนั้นในพรรษานี้ชาวพุทธเราจะมาชอบมามาทําอะไรพิเศษกันบางคนก็ของดสุลาบางคนก็งดเล่นการพนันบางคนก็งดการเที่ยวเตรบางคนก็ งดความขี้เกียจพยายามหาอะไรทําไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทําอะไรหาอะไรทําให้เป็นประโยชน์กับตนเองก็ได้กับผู้อื่นก็ได้การกระทาอะไรที่เป็นประโยชน์นี้มันมีประโยชน์จะทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการแก้อบายมุขเราต้องมาตั้งเป้ากําจัดมันถ้าเราเห็นว่ามัน ไม่ดีมันไม่มีคุณประโยชน์มันเป็นเหมือนขยะเวลาเรามีขยะเรามักจะไม่เก็บไว้ในบ้านกันเราจะเอาไปทิ้งถังขยะกันถ้าเรามองว่าอาบายามุกนี่เป็นเหมือนขยะการกระทำบาปนี่เหมือนขยะเราก็จะไม่อยากจะเก็บมันไว้ในตัวเราจะไม่ให้มันมาเกี่ยวข้องกับเราให้ได้พยายามกาจัดขยะทางจิตใจ ความกระทําบาปกับอบายามุกนี้เป็นเหมือนขยะของจิตใจเราต้องกําจัดมันนถ้าเรากําจัดมันแล้วมันจะไม่มาทําให้เราไม่สบายใจเวลาเราอยู่กับขยะในบ้านนี้เราเวลาเห็นมันทีไรมันก็รู้สึกไม่สบายใจเวลาเราทําความสะอาดบ้านกําจัดขยะต่างๆออกไปจากบ้านแล้วบ้านสะอาดสะอาดหูสะอาดตาเห็นแล้วก็สบายอกสบายใจ ฉันใดถ้าใจเราไปเกี่ยวข้องกับอบายอมุขไปเกี่ยวข้องกับการทำบาปแล้วใจของเรานี้จะไม่มีความสบายใจลองเปรียบเทียบดูเวลาทำบาปกับไม่ทำบาปนี้ดูที่ใจว่าอันไหนจะสบายกว่ากันเวลาไปโกหกกับไม่โกหกนี้ทาไปแล้วดูที่ใจว่า อ, อย่างไหนจะดีกว่ากัน เวลาไปรักทรัพกับเวลาที่ไม่ได้รักทรัพนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันดูที่ความสบายใจดูที่ใจเป็นหลักเราจะเห็นโทษของอบายามุขเห็นโทษของการกระทากระทาบาปแล้วเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงเอาเรื่องจริงๆที่เกี่ยวข้องกับเรานี้มาสอนพวกเรา ทั้งๆ ท, ที่มันเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไม่ได้มองมันเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยกับเราเป็นโทษกับเราเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่เรากลับอาจจะไปเห็นว่าเป็นตัวสร้างความสุขให้กับเราเพราะเวลาเราอยากจะดื่มสุราเรารู้สึกหงุดหงิดลำคาใจพอได้ดื่มสุราแล้วมาอารมณ์หงุดหงิดหายไปหมดเลย แต่มันเป็นการหายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเกิดความหงุดหงิดขึ้นไปใหม่ก็ต้องไปดื่มอีกพอดื่มมากเข้ามากเข้าต่อไปก็เกิดปัญหากับสุขภาพร่างกายได้ร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคตับโรคไตเข้ามาเกี่ยวข้องหมอก็สั่งให้หยุดนะ แต่ก็หยุดไม่ได้เพราะมันติดเสียแล้ว เ, ออเวลาหยุดแล้วมันหดหยิดนำคาญใจไม่สบายใจออแต่ถ้าดื่มเดี๋ยวก็ต้องตายออออคนที่ดื่มสวราแล้วเลิกไม่ได้นี่ตายก่อนวัยมีมากมายอันนี้คือการหลงผิดการคิดว่าการทำบาบัยการเสพ บ, บายามุกการทำบาปแล้วเกิดความสุขใจ แต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้เวลาไปขโมยเงินนี้เวลาได้มาก็ดีใจใหม่ๆดีใจโอ้ได้เงินมาแล้วเดี๋ยวพอไปใช้ปั๊บเงินหมดนี่มามา ว, วิตกกังวลมากลัวแล้วแต่ว่าเขาจะมีใครรู้ว่าเราเป็นคนขโมยเงินนี้ไปหรือเปล่าถ้ามีการสอบสวนมีการสอบถามเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อาจจะต้องทํำบาป เพื่อปกปิดความบาปด้วยการโกหกต่อให้อีกทอดหนึ่งยิ่งทำให้ไม่สบายใจใหญ่เพราะเรารู้ว่าถ้าเขาจับได้ว่าเราโกหกเราขโมยนี้แล้วเราจะถูกประนามเราจะถูกลังเกียจจะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมกับเราอ่นี่คือผลของการทำบาปถ้าเรามานั่งคิดกันมาดูผลที่ใจแล้วเราจะเห็น แต่ถ้าเราไปดูที่ผลที่ร่างกายเราอาจจะไม่เห็นเพราะคนทำบาปแต่ทางร่างกายอาจจะได้ดิบได้ดีก็ได้ได้รางวัลได้อะไรแต่ใจเขานี่ไม่สบายใจเรามองไม่เห็นกันแต่เรามองเห็นใจของเราใจของเรากับใจของผู้อื่นเหมือนกันทำบาปแล้วก็มีความไม่สบายใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงสองสอนให้พวกเรา ถ้าอยากจะไม่เกิดความไม่สบายใจจากการทําบาปจากการเสพอบายามุขก็ให้ละเว้นจากการทําบาปจากการเสพอบายมุขแล้วความไม่สบายใจความหงุดหงิดใจความลคาคัญใจความทุกข์ใจความกังวลใจต่างๆก็จะหายไปจากการทําบาปจากการเสพอบายามุขเนี่ยแล้วก็มาที่ข้อที่สอง เมื่อเราไม่มีความทุกข์ใจแต่ใจเรายังไม่มีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องทำบุญกันสร้างาถึงสอนให้เร า, เาทำบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือบุญการทำบุญมีหลายวิธีทำได้หลายแบบทำได้กับหลายหลายที่หลายบุคคลแต่โดยหลักก็คือการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองของเราที่เรามี เกินกว่าที่เราจะเอาไปใช้กับสิ่งที่จําเป็นมีเงินเหลือจากเงินทองที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้ถ้าเอาไปใช้กับความอยากเอาไปใช้กับการเสพอบายามุขก็จะเป็นอันตรายต่อจิตใจถ้าเอาไปใช้กับการทําบุญก็จะเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะเมื่อเราให้ความสุขกับผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเรา ถ้าเราสังเกตดูเวลาทุกครั้งที่เราทำบุญเราเสียสละเข้าของเงินทองสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ผู้อื่นไปเพื่อให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาเราจึงชอบทำบุญกันใช่ไหมเวลาวันเกิดของพื่นฝูงนี่เราต้องซื้อข้าวซื้อของไปซื้อของขวัญซื้ออะไรไปให้เขาเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้เขามีความสุข พอเราให้ความสุขกับเขาเราก็เกิดความสุขขึ้นมาในใจเราที่เห็นเขามีความสุขจากการกระทำของเราเนี่แหละการทำบุญจะทำให้เรามีความสุขกันเวลาอยากจะมีความสุขอย่าเอาเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปเสพอาบายามุขเอาเงินนี้ไปทาบุญทาทานดีกว่าจะได้ความสุขถ้าไป ใช้เงินกับอบายอมุกใช้เงินกับของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นมันจะทําให้เกิดความทุกข์ตามมาทีหลังเพราะมันจะอยากจะใช้อยู่เรื่อยเื่อยเมื่อใช้อยู่เรื่อยๆต่อไปเงินก็จะไม่พอใช้พ อ, เ, อเงินไม่พอใช้ทีนี้ก็ไม่มีความสุขแล้วมีแต่ความทุกข์ว่าจะหาเงินที่ไหนมาใช้ต่อ <c oughs> แต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญจะมีความสุขใจแล้วเวลาไม่มีเงินทําบุญก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน ไม่ไมีเงินทาบุญก็อยู่เฉยๆไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์ใจแล้วถ้าคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้ก็ยังทำให้เกิดความสุขใจปรากฏขึ้นมาได้อีกทุกครั้งที่เราได้ทำคุณทําประโยชน์ให้กับคนนั้นคนนี้เห็นเขามีความสุขใจพอเราคิดถึงเหตุการณ์นั้นทั้งๆ ท, ท, ที่มันผ่านไปหลายเดือนล้าก็ตามพอคิดถึงทีไรมันก็ยังทำให้เราเกิดความรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจ นี่คือวิธีสร้างความสุขต่างๆพระพุทธเจ้าว่าทําไปวิธีไหนก็ได้จะให้จะทำบุญกับวัดก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ทําบุญกับโรงเรียนก็ได้ทําบุญกับเด็กพิการทําบุญกับเด็กยากจนทําบุญกับคนแก่คนชราทําบุญกับญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทํากับลูกทํากับสามีทํากับภรรยาก็ได้ เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะได้ความสุขกลับมาแต่การกระทําก็ควรจะเลือกทํากับผู้ที่เขาเดือดร้อนก่อนผู้ที่เขาไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องทําด้วยทําแต่ไม่ต้องทํามากเท่ากับทํากับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพราะเขาอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้อาจจะมีปัญหามีอะไรก็ช่วยเพื่อให้เขายืนขึ้นมา แต่ไม่ได้ช่วยเพื่อให้เขามาพึ่งเราไปตลอดช่วยให้เขาลุกเขามาเดินเดินได้เดินต่อไปได้แต่ถ้าช่วยให้เขามาเกาะเราเราก็อยากช่วยเราก็ต้องตัดไปเพราะว่าไม่ใช่เป็นการช่วยที่ถูกทางเป็นการที่จะทาให้เขา มาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราได้เพราะเราก็มีขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ว่าเราจะช่วยได้ทุกคนทุกเวลาบางเวลาเราก็ไม่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็ต้องช่วยตัวเราเองก่อนงั้นเราก็ต้องเวลาจะช่วยใครก็ต้องดูเหมือนกันว่าควรจะช่วยหรือไม่มากหรือน้อยก็ดูตามเหตุผลไป ดูช่วยเพื่อบรรเทาความทุกข์ช่วยเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาแต่ก็ต้องเป็นเป็นครั้งเป็นคราวไปถ้านอกจากว่าอยู่ในกรณีที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยเช่นคนพิการคนแก่คนชราอย่างนี้ก็จําเป็นที่จะต้องช่วยเข้าไปจนกว่าเขาจะตายไปถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมไป เราก็ไม่ควรที่จะไปหนักอกหนักใจเกินฐานะเกินกำลังของเราเมื่อเราไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเขาได้เราก็อย่าไปหนักอกหนักใจไม่สบายใจก็ต้องปลงว่ามันเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาหรือต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของคนที่เขามีจิกินมีความสามารถที่จะช่วยได้ให้เขาไปทำกันเราทำได้เท่านี้เราก็ต้องทำเท่าที่เราทาได้ อย่าไปอยากทําบุญจนกระทั่งทำให้เกิดมีความทุกข์ใจขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการทําบุญทําบุญเพื่อให้เกิดความสุขใจแต่ถ้าอยากจะทําบุญแล้วไม่ได้ทำทำไม่ได้แล้วเกิดความทุกข์ใจก็ต้องตัดใจว่าไม่ใช่ฐานะของเราไม่ใช่เวลาของเราที่จะทําบุญแล้วตอนนี้กำลังของการทําบุญของเรานี้หมดแล้วทาได้เท่านี้เพื่อที่จะไม่ทาให้เราไม่สบายใจนั่นเอง นี่คือขั้นตอนขั้นที่สองก็ส่งสอนถ้าเราอยากจะมีความสุขให้มีความสุขด้วยการทําบุญดีกว่าการมีความสุขด้วยการไปซื้อของที่ไม่จําเป็นที่เราไม่ต้องมีเช่นเสื้อผ้าเรามีเหลือเฟือแล้วไปซื้อมาอีกชุดหนึ่งนี่มันไม่มีผลแตกต่างอะไรกับร่างกายของเราไม่ได้มาบรรเทาความความเดือดร้อนความขาดแคลนของร่างกาย ซื้อมาเพื่อเพราะความอยากได้เท่านั้นเองก็ได้ความสุขประเดียวประดาวตอนที่ได้ซื้อมาใหม่ๆแต่พอมาเก็บไว้ในตู้แล้วมันก็กลายเป็นเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้เราเกิดความสุขใจอะไรต่อไปซื้อเอาเงินที่จะใช้กับของที่ไม่จำเป็นเหล่านี้เอาไปทำบุญทำทานดีกว่าเอาไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทาประโยชน์ให้กับสังคมแล้วสังคมเราจะอยู่กันดีขึ้นแล้วก็จะ ไม่มาไม่มารบกวนหรือไม่มาทำความเสียหายให้กับเราเพราะถ้าทุกคนอยู่ดีกินดีอยู่ได้ไม่ทุกข์ไม่ยากไม่เดือดร้อนก็อาจจะไม่มีขโมยก็ได้หรืออาจจะมีขโมยน้อยลงมีโจรน้อยลงเพราะเมื่อเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินแบบนั้นเพราะมีการคอยช่วยเหลือกันอยู่เขาก็ไม่ต้องไปทำ ทำบาพเพื่อที่จะได้หาเงินหาทองมาสังคมของเราก็จะมีคนดีมากขึ้นคนชั่วก็จะมีน้อยลงไปได้แต่ถ้าเป็นคนชั่วตามสันดานนี่ก็คงจะไม่น้อยแต่คนชั่วเพราะเหตุการณ์บีบบังคับให้ทำไปนี้เราสามารถที่จะลดให้มันน้อยลงได้บางคนก็ไม่อยากจะทาบาแต่มันจะอดตายจะให้ทำอย่างไรบางทีก็ต้องไปทำบาพเพื่อที่จะได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง อันนี้เพราะอาจจะถูกเหตุการณ์บังครับเรเนี่ยสังคมเราจึงต้องมาช่วยคนเหล่านี้กันเพราะเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นก็ได้ไม่มีใครรู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะตกงานอาจจะเส้นเนื้อประดาตัวขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าสังคมมีการร่วมมีการคอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกัน เราก็อาจจะไม่ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาความอัตคัดขัดสนของเราก็ได้นี่ก็เป็นเหตุที่ว่าเราทำไมควรจะทำบุญกันมีได้ประโยชน์สองทางด้วยกัน ทางที่หนึ่งก็คือสังคมที่เราอยู่ได้รับการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบได้สองจิตใจของเราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้ทําบุญได้ทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมในพรรษานี้เราอยากจะสร้างบุญแบบไหนก็ ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาได้บางท่านอยากจะใส่บาตรทุกวันบางท่านอยากจะมาทาบุญทุกวันพระหรือทุกวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดไปทำบุญที่วัดหรือถ้าไม่ไปวัดจะไปทำบุญที่โรงพยาบาลไปทำบุญที่สถานสงเคราะห์คนยากคนจนคนอาภาพวาสนาคนพิการคนแก่คนชรา อะไรเหล่านี้ก็ทำได้ทำแล้วจะมีความสุขใจรับรองได้ว่าดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีความสุขที่ได้รับมันจะต่างกันน้ำหนักมันจะมากน้อยต่างกันและระยะเวลาที่จะอยู่ในใจของเหล่านี้จะมีต่างกันและโทษก็ไม่มีท่าน โทษจากการทำบุญไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบุญไม่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการใช้เงินเพื่อไปซื้อของฟุ่มเฟือย ม, มันจะมีเพราะเวลาอยากจะซื้อแล้วไม่มีเงินซื้อขึ้นมามันก็จะทุกข์ใจขึ้นมาได้นี่คือวิธีสร้างความสุขใจถ้าเราอยากจะมีความสุขใจแล้วเรามีมีข้าวของเงินทองที่เราสามารถเอาไปแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ เราก็เอาไปแบ่งปันกันเอาไปช่วยเหลือกันหรือถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเราก็ยังสามารถาทําบุญด้วยด้วยการใช้กําลังกายของเราเรามีเวลาว่างเรามีความสามารถอย่างใดอย่างหนึน่งเราก็ไปเป็นอาสาสมัครก็ได้มีองค์กรที่เขาต้องการคนอาสาสมัครมาช่วยงานคือทํางานโดยไม่ไม่เก็บ ไม่เรียกค่าตอบแทนไม่เรียกเอาเงินเดือนเป็นอาสาสมัครจิตอาสาไปช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองบ้านเมืองสกรปรกก็ไปช่วยกันเดินเก็บขยะตามข้างท้องถนนก็ได้อย่างนี้ก็เป็นการทําคุณทําประโยชน์เป็นการทําบุญอีกแบบหนึ่งทําบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองใช้กำลังกายของเราเป็นเป็นเครื่องมือในการทาบุญในการสร้างความสุข เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมแล้วก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็การทำบุญด้วยการให้วิชาความรู้กับผู้อื่นถ้าเรามีความรู้เราเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเราเรียนมีปริญญาแล้วเรามีเวลาว่างเราก็อาจจะไปสอนเด็กหรือสอนผู้ที่ต้องการอยากจะเรียนรู้ วิชาความรู้ต่างๆเพื่อให้เขามีวิชาความรู้เอาไปเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้เราก็ได้บุญเหมือนกันเช่นถ้าเรารู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาสอนให้คนที่เขาไม่รู้จักทากับข้าวกับปลาให้รู้จักทากับข้าวกับปลาหรือสอนอะไรทาที่เรารู้ตัดเสื้อเย็บผ้าทำผมแต่งหน้าทาปากอะไรนี่ครับ เป็นวิชาความรู้ทั้งนั้นที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้มาเรียนรู้เมื่อเขาเรียนรู้แล้วเขาจะได้มีวิชาเอาไปทำ ม, มาหากินเขาจะได้ไม่ต้องไปลักขโมยลักล็กขโมยนอ้อยไปป้นไปจี้นี่ก็คือวิธีทาบุญต่างๆอยงพยายามสร้าง สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเราอยู่ในฐานะไหนเรามีความสามารถแบบไหนในการทําบุญเราก็ทําไปตามแบบของเราตามกําลังของเราแล้วรับรองว่าเราจะมีความสุขความทุกข์ก็ไม่มีเพราะเราไม่ทําบาปเราไม่เสพอบายามุขใจของเราก็จะมีทั้งความสุขทั้งจะมีทั้งความทั้งจะไม่มีความทุกข์ จะมีความทุกข์หลงเหลืออยู่ก็ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่ยังมีอยู่ในใจของเราอยู่เนี่ยใจของเรานี้นอกจากจะทุกข์ที่เกิดจากการทาบาปแล้วยังมีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธของความหลงของเราอยู่เวลาเราโลภ ก, กับเรื่องใดสิ่งใดเราจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเวลาเรากโกรธใครขึ้นมานี้เราจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราหลงไหลกับใครกับ สิ่งใดก็อาจจะทำให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาได้เราก็ต้องมาทำข้อที่สามเพื่อกาจัดความทุกข์ที่เหลืออยู่ให้มันหมดไปด้วยการมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยการที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เราต้องมีเครื่องซักพอกใจเครื่องที่จะมาซักพอกใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานีอันนี้เป็นเหมือน เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการซักผอกใจเหมือนกับเวลาเราจะซักเสื้อผ้าเราก็ต้องมีเครื่องมือมีอุปกรณ์มีน้ํามีกาละมังมีผงซักผอกหรือสมัยนี้ก็มีเครื่องซักผอกเลยมีเครื่องซักผ้าเลยไม่ต้องใช้กาละมังเอาเสื้อใส่เข้าไปในเครื่องแล้วก็กดสวิตช์น้ํามันก็จะเข้ามา ใส่ผงสักพ่อเข้าไปแล้วเครื่องมันก็จะทําความสะอาดให้พอเสร็จมันก็จะปั่นให้แห้งเราก็เอาออกมาตากเสร็จเสื้อผ้าก็สะอาดหอมกลิ่นหอมหน้าหน้าใสต่อไปกําจัดคราบสกรปรกและกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาให้หมดไปจากเสื้อผ้าใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าใจของเรามีกลิ่นเหม็นทําให้ใจเราทุกข์ก็คือกิเลส ต, ตัณหานี่เอง ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆอยากหาความสุขอยากได้ลาบยศสละเสริญอยากจะมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสเวลาได้ก็มีความสุขเวลาไม่ได้ก <oman dogs> ็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาได้มาแล้วเสียไปก็จะเกิดความทุกข์เพราะเมื่อเราได้อะไรมาเราก็จะอยากให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาจากเราไปพอเขาจากเราไปเราก็เกิดความทุก ข, ข์ขึ้นมาอีกเนี่ย ถ้าเรากาจัดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเกิดจากความโลภมิธีที่จะทำให้เรากาจัดความอยากกาจัดความโลภต่างๆได้เราก็ต้องใช้เครื่องสักพ่อของใจเครื่องสักพ่อของใจก็คือศีลสมาธิปัญญาศีล น, นี่ก็คือศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้มีไว้สำหรับชาระการกระทาบาป แต่สินแปดนี้เป็นเป็นอุปกรณ์ที่จะมาใช้ในการซักพอกกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจต้องมีสินแปดแล้วก็ต้องมาฝึกสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็มาเรียนรู้ ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสตัณหาว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันเป็นคุณหรือเป็นเบญนโทษกันแน่เมื่อเรียนรู้ด้ยเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ากิเลสตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่มาคอยสร้างความทุกข์เป็นเหมือนเข็มที่จะมาคอยทิ่มแทงใจเราอยู่ตลอดเวลาต้องกําจัดมันต้องหยุดมันจะหยุดมันได้ก็ต้องมีสมาธิสมาธิเป็นเครื่องหยุด ปัญญาเป็นเครื่องบอกว่าจะให้หยุดตัวอะไรบ้างอะไรไม่ต้องหยุดความดีอย่างอื่นไม่ต้องหยุดความอยากในการทำความดีไม่ต้องหยุดความอยากในการทำสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจต้องหยุดเหมืนอนก็ต้องมาฝึกกันต้องมาหัดรักษาสีแปดกันแต่ถ้ารักษาสีหน้าได้แล้วจะมาเริ่มมาเพิ่มอีกสามข้อก็จะไม่ไม่ยากเย็นแต่อย่างใด เพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดรักษาศีลแปดให้ได้ศีลแปดมีอะไรบ้างก็นอกจากศีลห้าแล้วก็เปลี่ยนศีลข้อที่สามจากการไม่ประพฤติผิดประเวณีมาเป็นไม่ประพฤติการร่วมหลับนอนกันไม่เสพกามกันไม่ร่วมหลับนอนให้เพืพ่อพุติพรมจันทร์คือถึงแม้จะเป็นสามีภรรยากันถ้าอยากจะมาชำระซักพอกใจก็ต้องหยุดร่วมหลับนอนกันเ มาถือสินแปดกันแล้วก็ข้อหกก็เพิ่มเรื่องของการรับประทานอาหารให้รับประทานได้พอต่อความต้องการของร่างกายแต่ไม่ให้รับประทานตามความอยากเพราะความอยากนี้เป็นตัวที่เราต้องการกําจัดการจะกําจัดความอยากก็ต้องไม่ทําตามความอยากถ้ามันอยากจะกินก็อยากให้มันกินถ้าร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้ว วิธีจะให้ร่างกายได้อาหารพอเพียงก็รับประทานวันละครั้งสองครั้งก็พอพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามไม่ให้รับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว <c oughs> รับประทานได้ช่วงเช้าถึงกลางวันเพื่ อ, เ พ, อเพื่อร่างกายแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ารับประทานก็ถือว่ารับประทานตามความอยาก ถ้ารับประทานตามความอยากก็จะไม่ได้ชำระใจกลับจะทำให้ใจมิสศกปกมากขึ้นด้วยความอยากต่างๆที่เราได้ทำาเออ่งนั้นก็ต้องมาปิดประตูตัวนี้กําจัดความอยากตัวนี้ความอยากหาความสุขจากการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆให้ระงับเสียให้ดื่มให้รับประทานเฉพาะช่วงที่ที่เป็นประโยชน์ต่อความต้องการของร่างกาย พอร่างกายได้พอเพียงแล้วก็หยุดถ้าอยากจะดื่มก็ดื่มน้ำเปล่าน้ำเปล่านี้ดื่มได้ตลอดเวลาแต่ถ้าต้องการจะดื่มน้ำที่มีรสมี ส, มสีมีกลิ่นนี้เรียกว่ายังดื่มตามความอยากอยู่อยากในสีอยากในกลิ่นอยากในรสของเครื่องดื่มนั่นเองที่จะมาทำให้จิตใจเศร้าหมองต่อไปเพราะถ้าดื่มแล้วติดเวลาไม่ได้ดื่มแล้วก็จะเศร้าใจจะไม่สบายใจ แต่ถ้าไม่ติดแล้วต่อไปเวลาไม่ดื่มมันก็ไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาอะไรกับใจถ้าดื่มน้ำเปล่าได้นี่สบายต่อไปไม่มีเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้ให้ดื่มก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้แล้วมันจะติดมันจะต้องดื่มอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาที่ไม่มีให้ดื่มมันก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาแต่ต้องกำจัดการดื่มการรับประทานตามความอยาก โดยการถือศีลแปดถ้าหิวน้ําหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าไปหรือถ้ามันอ่อนเพลยรพระพุทธจาก็อนุญาตให้ดื่มอของบางชนิดที่จะให้พลังงานเช่นให้ดื่มน้ํำพึ่งดื่มน้ําอ้อยได้อของที่มีพลังงานดื่มพอประมาณเพราะรับประทานเพียงเที่ยงวันเท่นั้นตอนบ่ายตอนเย็นอาจจะ ร, รู้สึกอ่อนเพลียก็อนุญาตให้ดื่มน้ําตาลน้ําอ้อย หรือนับประทานเนยค้นเนยใสยได้หรื อ, อดื่มน้ำมันอันนี้ก็จะช่วยทำให้อาการอ่อนเพลียไม่มีเรื่องมีแรงหายไปได้อนุญาตได้เรียกว่าเป็นเพสัตห่าน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันเนยค้นเนยใสยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตพูดถือศีลแปดหรือพระนี่นับประทานหรือดื่มได้หลังจากเจี่ยงวันไปแล้ว เรียกว่าเป็นเภสั์มาช่วยเยียวยาความขาดกำลังของร่างกายเป็นอาพาธอย่างหนึ่งร่างกายอ่อนเพลียเนื่องจากขาดพลังงานก็ให้เติมพลังงานเข้าไปด้วยเภสัชห้าประการหรืออนุญาตให้ดื่มน้ำผลไม้น้ำข้นผลไม้ได้แต่ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่มีขนาดใหญ่กว่ากำปั้นเช่นน้ำมะพร้าวนี้ไม่ได้น้ำตกโมนี้ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นน้ําองุ่นน้ามะม่วงเอน้ํามะนาวน้ําส้มอะไรพวกนี้เอามาคั้นได้แต่ต้องกรองไม่ให้มีเนื้อติดในน้ําต้องแยกเนื้อออกให้หมดไม่ให้มีเนื้อส้มเนื้อผ ล, ลไม้ติดอยู่กับในน้ําให้เดื่ดแต่น้ํำเปล่า เ, าเาพราะน้ําผลไม้ก็มีน้ําตาลมีความหวานที่จะให้พลังงานแก่ร่างกายได้ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตสำหรับผู้ที่ถือศีลแปดแล้วเวลายามบ่ายยามเย็นจะรู้สึกหิวขึ้นมาก็ใช้ยาแบบใช้พวกนี้เป็นเครื่องบรรเทาได้นี่คือศีลข้อที่หกศีลข้อที่เจ็ดก็ให้ระงับเรื่องการหา ความสุขจากมหรสยบันเทิงต่างๆดูหนังดูละครน้องํำทำเพลงเอาไปงานต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่งตัวด้วยความแต่งตัวให้สวยให้งามด้วยการทำเเผาทาผมทาหน้าทาตาใส่เสื้อผ้าที่สีฉูดฉาดมีสีมีสันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้หยุด ไม่ไม่ต้องการให้เพราะมันเป็นการจะทำตามความอยากทั้งนั้นอยากมีความสุขจากการดูการฟังอยากจะมีความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องระ ง, งับมันถ้าเราต้องการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลเราก็ต้องถือศีแลแปดเราศีลข้อที่แปดก็ไม่ให้เรานอนมากเกินไปนอนมากเกินไปก็จะทาให้เสียเวลา อันมีค่าที่เราจะมาใช้ในการซักฟอกใจนั่นเองวิธีที่จะไม่ให้นอนมากก็ให้นอนบนพื้นที่ไม่สบายเช่นนอนนอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าปูด้วยเสือ่อถ้านอนบนฟูกหนาะๆนอนบนเตียงใหญ่ๆมันจะสบายเวลาร่างกายพักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแต่ใจจะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายก็จะบังคับให้ร่างกายนอนต่ออีกสองสามชั่วโมงหรือสี่ห้าชั่วโมง แต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็อยากจะไมนน่ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายสู้ลุกขึ้นมาชำระใจมานั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าอ่านี่คือหน้าที่ของศีลเพื่อให้เราหยุดกิจกรรมต่างๆที่มันจะเอาเวลาของการซับพอกจิตใจไปและในขณะเดียวกันก็ห้ามรื่องระงับความอยากไปในตัวด้วย เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาฝึกสมาธิมาทําใจให้สงบเพราะนอกจากการใช้ศีลแล้วยังต้องใช้สมาธิและต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การที่หนึ่งรักษาศีลแปดแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิก่อนจะนั่งสมาธิก็ต้องไปฝึกสติก่อนเพราะสมาธิ คือความสงบของจิตจะสงบได้ต้องมีสติมาหยุดความคิดให้ได้ถ้าไม่มีสติความคิดนั่นก็จะคิดเรื่อยเปื่อยสังเกตดูเราเคยสักเราเคยหยุดความคิดได้ไหมวันวันอย่างนี้ปล่อยให้คิดไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับแม้กระทั่งเวลาหลับมันก็ยังคิดต่อในรูปแบบของความฝันเนี่ยความฝันนี่ก็เป็นความคิดเนี่ยยั้งแต่ถ้าเรามาฝึกสติมาคอย ห, หยุดความคิดที่ไม่จําเป็นความคิดที่จําเป็นเรา เราปล่อยให้คิดได้เช่นเวลาเราทำงานต้องใช้ความคิดกับงานการเราก็ปล่อยให้มันคิดได้แต่เวลาเราทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อยากให้มันคิดเช่นเราทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเช่นเวลาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมนี่ไม่ต้องใช้ความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นนนก็อย่ า, ยาปล่อยให้มันคิด มาพยายามเบรกมันหยุดมันด้วยการใช้บังคับให้มันคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธไ ป, ปการคิดอยู่กับพุทธโธนี้เป็นการฝึกสติเป็นการสร้างสติเป็นการห้ามความคิดต่างๆ หรือถ้าเราไม่ใช้พุโทโธเราก็ต้องมบังคําให้มันอยู่กับกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ในตอนนั้นกําลังหวีผมก็ให้มันอยู่กับการหวีผมอย่างเดียวอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่นกําลังแปลงฟันก็ให้มันอยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวดูอยู่ที่การแปลงฟันอย่าไปคิดถึง อ, อดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าคิดก็สแสดงว่าเราไม่ได้ฝึกสติเราปล่อยให้ใจคิดไปตามเรื่องตามราว การฝึกสตินี้เพื่อบังคับไม่ให้มันคิดด้วยการบังคับให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้หรืออยู่กับงานที่เรากำลังทําอยู่ในปัจจุบันกําลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับแปลงฟันกําลังหวีผมก็อยู่กับการหวีผมกําลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารอยู่เรื่องเดียวทําอย่างนี้ได้ตลอดเวลาแล้วใจจะมีสติ พอเวลานั่งสมาธิก็จะสามารถทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าไปในสมาธิได้ถ้าเข้าไปในสมาธิได้ใจก็จะเจอความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าเราเข้าถึงสมาธิได้แล้วเราจะมีความสุขในใจของเรา แล้วมันจะทำให้เราสามารถสู้กับความอยากต่างๆได้ในเมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆเราจะไปทำมันทำไมอนอกจากดีกว่าแล้วยังไม่มีความทุกข์เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปทำตามความอยาก ว่าเวลาเวลาทําตามความอยากถ้าได้ก็เกิดสุขขึ้นมาถ้าไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความผิดหวังขึ้นมาให้หรือถ้าได้แล้วเดี๋ยวมันเกิดมันเสียไปมันจากไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นหมอ่อยีกเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าการทาตามความอยากนี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข การทำใจให้สงบอยู่ในสมาธิอยู่การทำใจไม่ให้มีความอยากนี่กลับเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กว่าเพราะเวลาใจไม่มีความอยากมันก็จะสงบเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากนี่เพราะเวลาฝึกนั่งสมาธิไปนี้เวลาจิตสงบความอยากมันจะหยุดทางานแต่พอออกจากสมาธิมาปั๊บพอ ความอยากโผล่ขึ้นมานี่ความสงบก็เริ่มถูกทำลายไปทันทีอันนี้เราจะใช้ปัญญาวิเคราะห์พิจารณาให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นผลของการไปทำตามความอยากว่ามันเป็นความสุขบอมเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาในภายหลังแต่ถ้าเราหาความสุขจากความสงบแล้วจะไม่มีความทุกข์ตามมา และเราสามารถหาได้ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่เหมือนกับความสุขที่เราหาตามความอยากต้องมีปัจจัยอย่างอื่นมาเสริมนั่งกายต้องแข็งแรงต้องมีเงินทองต้องมีเวลาต้องมีของที่เราอยากได้ถ้าเกิดขาดใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็ไม่สามารถหาความสุขได้แต่ความสุขจากสมาธินี้ขอให้มีสติเพียอย่างเดียวคอยควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดให้ได้ นั่งแล้วจิตไม่คิดอะไรจิตอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเดี๋ยวจิตมันก็จะสงบตัวลงเป็นสมาธิขึ้นมา น, นี่คือวิธีชักพอกจิตใจกำจัดความอยากต่างๆพอทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็รู้โทษว่ามันไม่ดีเราก็อย่าไปทําอย่าไปทําตามความอยาก ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังมันก็จะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไปใจของเราก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดเวลาและไม่มีความทุกข์เข้ามาในใจของเราอีกต่อไปทุกทั้งหลายก็จะหมดไปทุกที่เกิดจากการทำบาปก็จะไม่มีเพราะเราละการกระทำบาป ท, trial. ทุกที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็หมดไปทุกที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปเพราะว่าเมื่อไม่มีความอยากไม่มีก็จะไม่มีความอยากไปเกิดถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องมีร่างกายถ้ายังอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้งกายแต่ถ้าเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ได้ดีกว่าด้วย พอความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องมีความทุกข์ตามมาในที่ในที่สุดนะนี่แหละคือคำสอนของพระเจ้าง่ายๆเพียงสามข้อเท่านั้นเองขอให้เอาไปปฏิบัติให้ได้เถิดแล้วรับรองได้ว่าผลต่างๆที่ได้แสดงไว้ในวันนี้ จะต้องเกิดขึ้นทันทีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกไม่มีวันเสื่อมไปกับกาลเวลาเอามาปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยแม้พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปแล้วถึงสองวันห้าร้อยกว่าปีก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนในสองพันห้าร้อยกว่าปีนั้นมีประโยชน์ในสอง0ันห้าร้อยกว่าปีก่อนก็ยังมีประโยชน์ในปัจจุบันนี้ ถ้าทำได้ก็จะได้ผลละบาปได้ก็จะละก็จะดับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้สร้างบุญสร้างกุศลก็จะสร้างความสุขให้กับใจได้าำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็ต้องมาตั้งจิตอธิษฐานกันว่าเราจะทาได้มากน้อยเพียงไร เราทําไปตามกําลังของเราก่อนเราละอบายามุกได้ไหมละได้ข้อไหนบ้างละไปละการทํำบาปข้อไหนได้บ้างละไปทําบุญแบบไหนได้บ้างทําไปรักษาศีลแปดได้ในวันไหนบ้างก็ทําไปนั่งสมาธิฝึกสติดได้เมื่อไหร่ก็ฝึกไปพุโทโธได้เมื่อไหร่ก็พุโทโธไป เรือเฝ้าดูร่างกายดูกิจกรรมของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรียกว่าฝึกสติพอมีสติก็ไปนั่งสมาธินั่งถ้ายังไม่สงบก็สติยังไม่พอก็ไปเสริมสติใหม่ทุกครั้งที่เราทำอะไรฝึกฝึกสติไปเรื่อยๆพอมีเวลาว่างก็มานั่งสมาธิกันพอมีสมาธิก็มามาสร้างปัญญากันด้วยการวิเคราะห์คุณโทษของกิเลสตัณหา ว่าอันไหนก็กิเลสตัณหามันเป็นคุณหรือเป็นโทษกันแนะ่ถ้าวิเคราะห์ด้วยปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นสิ่งที่เราควรจะกําจัดไม่ส่งเสริมเมื่อเรากําจัดมันได้ไม่ส่งเสริมมันต่อไปกิเลสตัณหาก็จะหมดไปจากใจใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือ การศึกษาและการปฏิบัติเพราะตรมคําสอนของพระพุทธเจ้าตามตามกําลังศรัท ธ, ธาของพวกเราที่เราเป็นชาวพุทธกันว่าเราเป็นชาวพุทธเราศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสั่งคําสอนในพระอริยสงสาวกเมื่อเราศรัท ธ, ธาแล้วเราก็ต้องไปเรียนคําสอนเรียนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับประโยชน์จากพรนะพุทธศาสนาได้กําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้สร้างความสุขให้มีเต็มเปลี่ยมภายในหัวใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดก็ここขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งเหล่านี้ไปพิพจารณาและปฏิบัติแล้วความสุขความเจริญความสิ้นสุดของความทุกข์ก็จะตามมาต่อไปการแสดงพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอ um ุปปับปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิิชัตุตสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยทามนิโชติหราโสยทาสัะพิติโยวิวัจันโุสัพโรโควินาสตุมาเตภวตตวันตรายยสุขีทีขายุโกภวะ พิวาทนศิดิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ทางเฟ c e b o o ส3มร้าคนครับ YouTube สองร้อยสองคนครับวิทยุออนไลน์สามสิบสามคนครับผู้รับฟังบนเขาร้อยสามสิบสองคนครับรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบสองคนครับวันนี้มีทมีทางเข้าสู่การส่งเทศส่องธรรมได้อีกรูปแบบหนึ่งคือผ่านเขาเรียกว่า i อพีทีวี เป็นการจะเข้าถึงก็มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถดาวน์โหลดได้จาก Android หรือจาก iPhone จะมีโปรแกรมถึงถ้าต้องการจะรู้ก็มีโพสไว้ในในหน้าเพจต่างๆของธรรมะบนเขาของวันนี้หรือเข้าไปใน Line แอดก็ได้จะมีบอกว่าวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมนี้โหลดที่ตรงไหน อ่านแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาใช้ได้เขามีช่องให้เลือกเปิดก็จะมีช่องของธรรมบนเขามีรูปของเราติดอยู่ในไอคอนก็กดอันนั้นเขาก็จะมีการเข า, าเรียกว่าอะไรการการแสดงธรรมอย่างต่อเ น, นื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีช่วงสดตอนบ่าย2โมงถึง4โมง และสดตอนบินตาบาดตอนเช้าวันวันอาทิตย์กับวันพุธจะเป็นรายการสดนอกนั้นก็จะเอาเอาธรรมที่ได้แสดงไว้แล้วมาเปิดเวียนกันไปทั้งวัน24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการฟังธรรมตลอด24ชั่วโมงฟังที่ไหนเมื่อไหร่ก็ถ้ามีแอปตัวนี้แล้วก็เพียงแต่เปิดมันขึ้นมามันก็จะแสดงธรรม มันแสดงทำเหมือนเหมือนทีวีเนี่ยมันมันเราไปเลือกช่องไม่ได้เลือกการเลือกเลือกกันเทศไม่ได้มันเป็นเหมือนกับเปิดดูทีวีมันก็จะโผล่ขึ้นมาแสดงทําตอนไหนมันก็แสดงไปได้เรื่อยพอหมดกันนี้มันก็ไปเพิ่มมันก็ไปเปิดอีกกันต่อไปอันนี้ก็เป็นเพียงแต่แจ้งให้ทราบไว้เผื่อใครสะดวกที่อยากจะเข้าไปดูในรูปแบบนั้นก็เข้าไปดูได้ สำหรับวันนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามถามคำถามใครมีคำถามฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาถ้าอยากจะถามเองก็เชิญมาที่ศาลาจะได้พูดผ่านทางไมโครโฟนถ้ายังไม่มีใครก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อน คำถามจากทาง Facebook, Facebook นะคะชื่อคุณพิทักษ์ขอากราบเรียนถามพระอาจารย์ครับเรื่องธาตุขันของร่างกายมีผลต่อการทำจิตใจให้เข้าสู่ความสงบไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้การภาวนาเพื่อให้ใจสงบเป็นไปได้ยากกราบขอบพระคุณครับ คือเรื่องของร่างกายมันก็จะมีผลกระทบต่อผู้ฝึกหัดผู้ที่ยังภาวนายังปฏิบัติไม่เป็นเพราะว่ามันจะทําให้ยากเพราะวาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจมันก็ไม่มีอยากมันไม่มีกจิตกรใจที่อยากจะนั่งสมาธิที่อยากจะฝึกสติเห็นต้องอาศัยร่างกายที่เป็นปกติแต่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติเป็นแล้ว ร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าการปฏิบัตินี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ร่างกายถ้าปฏิบัติเป็นมีสติสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับพุโทโธได้อยู่กับปัจจุบันได้ก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้จเจริญปัญญาก็พิจารณาทางปัญญาได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกรักษาศีลห้า แต่มีความจำเป็นต้องผิดศีลด้วยการโกหกแบบนี้ลูกจะได้บุญจากการรักษาศีนมาทั้งวันหรือไม่เจ้าคะก็จะได้รักษาได้ประโยชน์จากศีนเขาอื่นที่เรารักษาแต่ศีนที่เราขาดเราก็ไม่ได้ประโยชน์คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะถ้าเรานิพานแล้วเราสามารถช่วยญาติพี่น้องผู้ที่มีบุญคุณที่ตายไปแล้ว และได้รับผลกรรมไม่ดีอยู่ได้หรือไม่เจ้าคะคำว่า น, นิพานนี้เราต้องอมาทําความเข้าใจก่อนว่าหมายถึงอะไรเพราะคํา น, นิพานที่แท้จริงหมายถึงผู้ที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เป็นเป็นบรรลุ ถ, ถึงพรานิพานแต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างพระพุทธเจ้านี่บรรลุ ถ, ถึงพานิพานในวันเพ็ญเดือนหกอายุสามอายุสามสิบห้าปี ดังนั้นพระพุทธเจ้ายังทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ต่อไปนแต่ถ้าถามว่าถ้าแปลคําว่านิพพานแปลว่าตายเพราะว่าเวลาเราพูดถึงพระอารหันต์หรือพระพุทธเจ้าเรามักจะไม่ใช้คําว่าตายเวลาท่านตายเราจะพูดว่าท่านนิพพานถ้าท่านนิพพานแล้วท่านก็จะทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ได้ แต่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่แล้วจิตท่านเป็นนิพพานท่านก็จะทำประโยชน์ให้กับมนุษย์และเทวดาได้หรือดวงวิญญาณต่างๆได้แต่ประโยชน์ที่ท่านด้านทำได้ก็คือสั่งสอนธรรมะเท่านั้นแต่ไปล้างบาปล้างกรรมของผู้อื่นไม่ได้ ใครมีบาปมีกรรมทําไว้ก็ต้องเช่าใช้บาปเช่ใช้กรรมไปแต่จะสอนวิธีที่จะทําให้พ้นบาปพ้นกรรมต่อไปได้หลังจากที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้ามีมีความสามารถที่จะปฏิบัติในขณะที่เป็นดวงวิญญาณ น, นั้นก็สามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความสามารถของผู้เรียนรู้ผู้ฟัง พระอานาหารพระพุทธเจ้าทําประโยชน์ได้ทั้งกับผู้ที่มีชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ในช่วงที่ท่านตายไปแล้วนี้ท่านจะทําประโยชน์ไม่ได้อาจจะทําได้ในกรณีพิเศษเช่นพระปฏิบัติบางรูปนี้ท่านยังสามารถติดต่อกับพระพุทธเจ้าในอดีตได้อย่างประวัติถ้าอ่านประวัติหลวงปู่มั่นนี้ท่านบอกว่าบางทีท่านก็มีพระพุทธเจ้ามาโปรด มาแสดงทำให้กับท่านอย่างนี้ก็เป็นกรณีพิเศษผู้ที่จะติดต่อกับพระเจ้าได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีพลังจิตสามารถติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่างๆได้คะคำถามจากคุณปลานีค่ะกาเรียนถามพระอาจารย์ว่าเอาหนังสือสารสัมพันธ์ซึ่งมีรูปพ่อแม่ครูอาจารย์ ให้คนกวาดขยะไปช่างกิโลขายจะบาปหรือไม่เจ้าคะมันก็ไม่บาปแต่มันไม่สมควรของสูงของที่เราเคารพนับถือทำไมเก็บไว้ไม่ได้ก็ตัดรูปภาพก่อนท้านออกมาก็แล้วกัน เ, เก็บไว้ในสมุดในในกล่องหรืออะไรในที่เหมาะสม หรือไม่เช่นนั้นถ้าจำเป็นที่จะต้องกาจัดก็เผาทิ้งไปเลยดีกว่าดีกว่าปล่อยให้มันไปสู่มือคนอื่นแล้วบางทีเขาไปเช็ดก้นอย่างนี้มันก็เราจะไปรู้หรือเขาจะไปทำอะไรสมัยเด็กๆนี่นมนไม่มีกระดาษทิชชูรู้ปาต้องคอยเก็บหนังกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เขาทิ้งตามข้างถนนมาเป็น <laughs> กระดาษเช็ดก้น <laughs> เดีถ้าเกิดคนเขาไม่มีกระดาษเช่นคนเขาเจอกระดาษของมีรู้พ่อรูปแม่เราเขาไม่รู้จักขเขาขอไหมยังถ้าจะกําจัดมันจะทิ้งมันก็เอาไปเผาทิ้งดีกว่าให้มันหายให้มันหายไปเลยดีกว่าอย่าอาไปทิ้งไว้ในที่ไม่เหมาะสมขอพระหรือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระุณท่านเป็นผู้สูงที่เราควรจะเทดทูล mm. หมดแล้วเลยคำถาม คำถามจาก u ู u b e ครับขออนุ ญ, ญาตถามพระอาจารย์ว่าการขายที่ดินของไทยให้กับคนต่างชาติผิดไหมคะปกติต่างชาติครอบครองที่ดินไม่ได้แต่ทำนอมินีให้ซื้อผ่านคนไทยได้อันนี้ต้องไปถามกรมที่ดินดีกว่าไม่เกี่ยว <laughs> <laughs> จะตอบทุกเรื่องเลยนะ <laughs> หมดแล้วนะการภาวนานเวลาเริ่มต้นใหม่ๆจิตเรายังมีสติไม่มากพอที่จะควบคุมความคิดต่างๆได้ถึงแม้เราจะให้มันพุทโธพุทโธแล้วสวดเหมือนไปมันก็ยังแวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้อยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่ ชาเราลู้ปั๊บเราก็ต้องดึงมันกลับมาอยู่ที่พุโทโธต่อหรือพุโทโธไปแล้วก็มีเรื่องนั้นเข้ามาแทรกก็อย่าไปสนใจอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆสร้างสติขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งอยู่กับพุโทโธได้นานเท่าไหร่สติก็ยิ่งจะมีกําลังมากขึ้นไปพอสติมีกําลังมากขึ้นไปความคิดที่มันจะแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วต่อไปมันจะไม่มีอะไรมารบกวนใจ มาดึงใจให้ออกไปจากการาจดจ่อใจให้เข้าสู่สมาธิการที่จะทำใจให้สงบเข้าสู่สมาธิได้ใจต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับคาบรลกรรมอย่างเดียวหรือถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวดูที่ปลายจมกูกหรือดูที่กลางหน้าอกดูว่ามันเข้าดูว่ามันออกไม่ต้องทำอะไรให้ดูเฉยๆไปอย่าคิดคอยเฝ้าดูว่า <c oughs> มันจะแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือปเปล่าพอคิดก็ต้องกลับมาที่ลมหายใจหรือมาที่พุโทโธทำอย่างนี้ใหม่ๆมันจะเป็นการชักกระเยอะกันสติเรามีกำลังน้อยมีได้ห้าวินาทีก็ไปแล้วเดี๋ยวก็อีกหนึ่งนาทีอาจจะถึงได้สติกึ้นมาไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วไม่รู้กลับมาใหม่พุโทโธใหม่ดูลมใหม่ ต้องดึงให้มันกลับเข้ามาให้เร็วให้มันไปให้น้อยไปเรื่อยๆแล้วต่อไปให้มันต่อเนื่องเป็นสัมปัชัญยะมีสติที่เป็นต่อเนื่องเรียกว่าสัมปัชัญยะรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับเรื่องรู้อยู่กับเรื่องเดียวตลอดเวลาถ้าอยู่กับเรื่องเดียวจิตมันก็จะเริ่มสงบลงสงบลงเบาลงสบายขึ้นอาการสุขเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งมันสงบนิ่งเต็มที่ มันก็จะรู้สึกเบาตอนสงบนี้มันก็อาจจะมีอาการรู้สึกว่าตกจากที่สูงก็ได้วุบลงไปแล้วก็นิ่งแล้วก็สบายไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดอะไรให้มีสติรู้ดูเหตุการณ์ไปเหมือนดูภาพยนตร์ดูว่ามันเป็นการแสดงของจิตเท่านั้นเองแล้วก็พอมันสงบก็ใช้ใช้สตินี้คอยประครับประครองถ้าเกิดจะคิดก็หยุดคิดมันอย่าปล่อยให้มันคิด ประคัประคองให้มันสงวบไปนานๆจนกว่ากําลังของสติไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดได้ก็ต้องปล่อยให้มันคิดมันก็จะคิดอยากจะลุกขึ้นมาอยากจะออกมาก็พอพอออกมาก็เริ่มจเจริญสติต่อควบคุมจิตต่ออย่าให้มันคิดเรื่อยเป่ให้มันทํากิจเท่าที่จําเป็นอย่าต้องทําคิดเท่าที่จําเป็นอย่าต้องคิดถ้าไม่จําเป็นก็ให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป เราอยู่กับงานที่เรากับทำกับร่างกายไปแล้วพอมีเวลาก็กลับมานั่งใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันระหว่างจเจริญสติกับการนั่งสมาธิแล้วสติจะมีกําลังมากขึ้นสมาธิจะสงบมากขึ้นนึกเข้าลึกมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นอยู่ได้นานขึ้นต่อไปก็จะมีความสงบ ทั้งเวลาที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิเนี่ยแล้วตอนนั้นเราค่อยไปทางปัญญาต่อไปท่ะอาจารย์เจ้าคะ่ะคือหนูภาวนาโดยการดูลมหายใจแล้วดคะแล้วพอ ส, สักพักหนึ่งอยู่ดีๆก็คือลมมันจะไปอยู่ที่ประมาณกลางหน้าอกเจ้าคะ่ะ ทีนี้หนูจะจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะดูที่กลางหน้าอกอย่างนี้ต่อไปจนกว่าเราจะสงบถูกต้องไหมเจ้าค่ะก็ต้องดูที่ในที่หนึ่งถ้าดูที่ปลายมืหมกไม่ชัดก็ไปชัดที่กลางหน้าอกก็ไปดูที่หน้าอกแต่อย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูตามที่มันชัดเอถ้ามันชัดตรงไหนจับลมได้ตรงไหนก็อยู่เอาตรงนั้นเอาจุดเดียวแต่ไม่ต้องตามลมเข้าลมออก อยู่จุดเดียวคือให้เราเลือกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะตอนแรกอาจจะไม่เลือกก็ได้อาจจะจําเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ตอนต้นอาจจะชัดที่ปลายจมูกแล้วต่อไปมันไปชัดที่กลางหน้าอกก็ไปอยู่ที่กลางหน้าอกแทนก็ได้อาดถูกใช่ไหมแต่ถ้ามันมีเหตุมีผลไม่ใช่เลือกอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเอกลางหน้าอกบ้างมาดูที่ปลายจมูกบ้างอย่างนี้ไม่ถูกถ้ามีเหตุให้จําเป็นต้องเปลี่ยนเพราะที่ไหนมันชัดกว่ามันสบายกว่าก็ดูที่ตรงนั้นไป ใช่เจ้าขาา่าวบางทีมันหล่นมาตรงนี้มันจ ะ, จะชัดกว่าเจ้ า, า่ก็เอาที่ตรงที่มันชัดกว่าใชหให้มันมีเหตุาามีผลเวลาเปลี่ยนหมดแล้วเลยหมดแล้วเข่าโอเคเาถามว่าเขาถูกสอนว่าให้ทำความดีแต่การทำสมาธินี้ไม่ได้ไปทำความดีให้กับใครเพียงแต่ทำตัวเองให้มีความสุข เราก็บอกว่าก็เหมือนกับการไปเที่ยวอ่ะเราไปเที่ยวเราก็ไปหาความสุขให้กับเราไม่ใช่เลยแต่ก็ไม่ได้มาห้ามไม่ให้เราไปทาความดีเวลาเรากลับมาจากเที่ยวเราก็ไปทำความดีต่อได้การทำสมาธิก็เหมือนกันก็เป็นการไปเที่ยวข้างในแทนที่จะไปเที่ยวข้างนอกก็ไปเที่ยวข้างในไปหาความสุขภายในที่ดีกว่าความสุขภายนอกเพราะว่าไม่ต้องไม่เสียเงินเสียทองใช่ม นังก็ไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพของร่างกายร่างกายจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจะเจ็บหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถที่จะนั่งสมาธิหาความสุขภายในได้ การหาความสุขจากสมาธิมันดีกว่าจากการหาความสุขจากภายนอกกจากสิ่ง ต, งต่างๆเช่นการไปเที่ยวแต่วเวลาจากสมาธิมาคุณจะไปทําความดีต่อก็ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามให้คุณไปทําความดีใช่หไหั้นคําสอนพระเจ้าสอนใช้ทํรสามอย่างละการกระทําบาปอย่าไปทําบาป ทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆแล้วก็ถ้าอยากจะมีความสุขสงบใจก็ไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบให้ทำทั้งสามอย่างแล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ฐานะหน้าที่ของเรามีเหมาะสมในเรื่องใดทำอะไรได้ก็ทำไปหมดแล้วเหรอมีอีกหนึ่งคำถามเจ<ช>้าค่ ะ, คะ คำถามจากคุณดีใจค่ะกลับน้ำส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาที่ดูลมหายใจเราชอบแน่นหน้าอกไม่ทราบว่าเพระเาะอะไรคะและควรแก้ไขอย่างไรคะโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนเครียดง่ายเจ้าค่ะ คือถ้ามันเป็นเฉพาะเวลาดูลมหายใจถ้าดูทีวีดูละครไม่เป็นอันนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอว่าไม่ใช่เรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันไม่ชอบดูลมหายใจเพราะมันไม่สนุกเหมือนดูละครดูหนังมันก็เลยมันก็เลยตีโพยตีพาย สร้างความรู้สึกอึดอัดตรงนั้นแน่นตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจมันพยายามตั้งใจดูลมไปถ้ากำลังดูลมไม่พอก็ใช้พุทโธก่อนหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าสติมีกำลังไม่พอไม่เกิดอาการเหล่านี้แล้วดูไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดูสวดมนต์ไปก่อน หรือฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเนี่ยฟังไปสักชั่วโมงแล้วลองมานั่งดูลมต่อถ้าใจมันสงบลงจากการฟังธรรมแล้วมันจะไม่มีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมามหมนแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา